ให้สติมูเพื่อนให้ข้อคิดอุบายวิธีต่อสู้ของมขี้เหลยไม่งั้นไม่ทันง่ายๆนะละเอียดสุดที่อยวแต่เมื่อรู้เรื่องของมันทั้งหมดจนปราบมันดูมัดคนง่ายนะแล้วนั้นมันจะแสดงอยู่ที่ไหนมันรู้ดินอ่าไม่ว่ามันจะแสดงออกมากับคนออกมาจากกับสัตว์มันรู้หมดเลย มันมีแตเรื่องอันเดียวทั้งนั้นเนี่ยพอเรารู้ทันแล้วมันก็รู้ไปทาไม่รู้เรามันก็ไม่มีอมายถึงว่ามันละเอียดจริงๆหมดเนื้อหมดตัวมันก็มันทั้งนั้นคอบไปหมดทุกขุมขนอืการถึงแก้มันยากนะเอาจริงๆ ใช้ความปีิพพิจนาใช้ความอดความทนถ้าเพียนเอาให้เต็มที่เต็มฐานเพราะเราตั้งห่าตังตาจะเอาชนะมันอยู่แล้วการแพ้มันมันสมควรหรือกับเราดตั้งใจจะเอาชนะมันแต่แล้วกลับแพ้มันยังรุรุ่ยรุ่ยุยมีทครังแต่รุนรุ่ยรุ่ยรุ่ไม่เป็นท่าอะไรเลย เคยปฏิบัติมาโฮเปมนพิลารย้อนหลังแหมืางทีจะล้อมห่วงร้องให้ี่ดูอย่างตอนจิตเสือ่อยแหมมันเสียใจเป็นถ้าเป็นทางโลกเ็าเรียกว่าผูกโกรดผูกแค้นพอได้ที่เท่านั้นแล้วแหมที่นี่กำลังทางความเพียรความเป็นนักต่อสู้ไม่ซ้ำมาจากไหนถ้าเราเทียบแบบโลกนะ ฆ่าคนได้เขาฆ่าไม่เพอะเห็นนี่เองมันเทียงแค้นดันถึงใจแต่นี่มันเป็นเรื่องของธรรมไม่จัดแล้วเป็นกิเลสเสียเป็นฝ่ายมาั่งคือพลังของธรรมมันขึ้นเต็มที่ต่อไปนี้เลยถ้าเป็นทางโลกก็เรียกว่าเป็นสมุทยัยเป็นความอาฆาตจริงๆอันนี้มันไม่เป็นอย่านันะ้นมันเป็นพลังของธรรม ไม่ยอมที่จะมันแท้ได้อยู่ต่อไปให้เสื่อมอยู่ต่อไปได้เลยัแต่นั่นมาเหมือนเป็นอาจารย์เอกทีเดียวไปที่ไหนเนี่มันฟิตตัวมันอยู่ตังตังตังตั ง, ตงไม่คุ้นกับใครเลยอ่ะจอหัวมันอยู่นั่นเลยแล้วมันก็ไม่เสื่อมเพราะมันไม่ชอบคนเซอเร์นีตกิเลสก็ดีออืทําก็ดีอเซิร์ตทั้หลายมันเข้าตรงนั้นแหะ ก, กิเลสทำทั้กับไม่ได้สอนให้เซอร์ สอนได้แคลายแต่สุดท้ายมันก็มาจมอยู่ในสมาธิันได้น่มันเอาช่องหนึ่งจนได้ก็เหลือเวลาสมาธิมันได้อย่างใจแล้วมันก็เลยติดสมาธิแล้ไม่อยากออกพินาราทางด้านปัญญาเห็นว่าลำบากลำบนแล้วเข้าอยู่ในความรู้แน่วอยู่อันเดียวไม่กระทบกระเทือนกับอะไรเพราะไม่ออกมาสู้อะไรอยู่เท่าไรก็ได้ กระติดตรงนั้นทียเนี่ยกิเลสก็ไปต่อมตรงนั้นอีกแหละติดสมาธิไม่เป็นกิเลสคือเป็นอะไรออืความหลงความติดความติดสุขมันก็เป็นทัหมูไทยเนี่ยไม่รู้แน่มันเอาจนได้นะถูกหนันมีพ่อแม่ครัวจ้างท่านยังมีที่อยู่ท่านขนาบออกมันถึงออกไม่นัะไม่อย่าบ อ, อกนะ มันออกแล้วมันก็ออกอย่างแหวกแนวเหมือนกันในสายผมมันผาดผลรู้เจ้าของอยู่มันผาดผลจริงๆเพราะว่าครูอาจารย์ผู้มาสอนก็ต้องฉลาดจริงๆรึงเพื่จะสอนได้อย่างวัไอ้นเนี่ยครูอาจารย์ไม่มีทางจะมีเจ้าเวลามันออกมันออกอย่างผาดผลออกแบบไม่ยอมเข้านี่ก็จะออกแค่เดียวว่า ก็เตายด้วยปัญญาไม่เคยเอาปัญญา้ไม่คํานึงเรงสมาธิเลยม่ทำหนี้สมาธิด้วยซ้ามานอนตายเฉยๆเนี่ยมันไม่พอดีปัญ า, ามันผ่านไปมันถึงรู้มันเป็นครูมดเนี่ยเวลาจะตายจริงๆมันก็เข้าสมาธิแต่บงังคับข่อนนะ้ำมันไม่ยอมเข้ามันต้องตายจริงๆต่อสู้อยู่ไม่ถอย เพียงว่ามือไปแปะแปะเลยรนี่มันต่อยไม่ได้เอามือกำลังเอามือไปแปะแปะมันเอาหมัดไปแปะแล้วนี่มันก็แปะแปะอะไรนี่มันไม่มีกำลังจะต่อยมันก็ยังไม่ถอยกินน่ะมันจะตายจริงก่อหมุนตัวก็มาสู่สมาธิบังคับเข้าสุดท้ายก็เอาพุทโธบังกำกับน่ะไม่งั้นมันจะผึงออกไปงานไม่ใช่มันจะไปไหน่ะมันจะผึงไปสู่งานบังคับไว้อย่างขนาดนั้นดีกว่าผมอ่ะใจมันผ่าดพ้น บ, บับงคับบังคับเอาจิงเอาจังพูดโทรให้ถีบยิบไม่ยอมให้ออกที่เดี๋ยวก็มันค่อยสงบเข้ามาสงบเข้ามาสงบเข้ามาเพราะมันกินทุกอย่างเนี่ยเวลาสงบมัน ก, ก็ ก, ก, ก, ก, กินไม่ยอมทํางานมันจะออกไม่ให้ออกบังคับก็โอ้เป็นภาระจริงๆเป็นภุละภาระจริงๆเนีแต่ก็ไปสงบเงี้ยวโอ้โหแบบเหมือนกับถอดเทียนถอดน้ํานะจิตมันมีกําลังบงังคาบ เบาหงองเนี่ยในตัวนี่อีกแนวพักให้เต็มที่เรื่องถอนไม่ต้องบอกพอตะปอยเมื่อไหรมันผึงเลยมันผึงกับผึงแต่งานนะไม่จะผึงไปไหนเลยพอถอนมาป้าใก็ปุ๊บเลยอาปล่อยใส่ที่หนึ่งก็โอโหมันกันหนำกนันก็มีดก็เหมือนกับมี ด, ม ด, ม ด, ดเดียนรับหินเรียบร้อยแล้วคนก็ได้รับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับให้สบายแล้วน งานก็งานชิ้นนั้นมันทนไปได้ยังไงมีก็มีเล่มนี้ แ, แต่รับหินแล้วคนก็คนค น, คนนี้มาพูดทำงานแต่มีกำลังบังชายแล้วพักผ่อนนอนหลับรั บ, บ, บทานอาหารเรียบร้อยแล้วฟันลงไปงานชิ้นนี้ไม้ท่อนนี้ขาดสะบันไปเลยทางนี้แต่เพราะความด่วนนั่นเองอความเห็นโทษมากความด่วนทีด่ด่วนมันจึงไม่อยากจะเข้าสมาธิ ก็เห็นคุณค่าอยู่แต่มันต้องจะเห็นอคุณค่าแห่งการต่อสู้มากกว่าสมาธิอีกจนกระทั่งมันผ่านทั้งมันไปแล้วฟัดมันเหลี่ยงมันจึงมันผ่านมันไปแล้วจึงมาเป็นบทเรียนทั้งหมดน้องอุทจักธนว่าอุทจากความฟุ้งซ่านมันมันไม่ใช่ฟุ้งซ่านแบบนั้นนะความฟุ้งความเพลินในงาน ที่ตนทำที่ตนแก้กิเลสนั้นนะอุทธะจารกุฏะจารในนิวรณห้ากับอุทธะจารอันนี้มต่างกันคนละโลกไม่เหมือนกันได้ยังไงอุทธะจารในสังวรในนิวรณห้ามันก็มีอยู่ในคนทั่วๆไปแต่อุท ธ, ธจารอนนี้มันเพลินในการพิจารณาการต่อสู้กับกิเลส เพลินจนลืมพักก่อนในสมาธิทนนี้เรวอุทธจักคือมันไม่รอบตัวก็เป็นทั้งโ์ยอดอันหนึ่งนานะประมาณถึงจิตดวงผ่องใสเงี้ยคือปมาณน่าเก้านัน่นเอาผ่องใสเงี้ยยกขึ้นเป็นเขี้ยวเป็นเขาขึ้นมาเห็นพันธุ์ยอสามสามเป็นเก้าต้นต่ำกวกเขาสําคัญว่าต่ำกว่าเขาสําคัญว่าเสมอเขาสํำคัญว่ายิ่งกว่าเขาเนี่ย เม yeah> claro ื่อเราเสมอเขาสาคัญมาต่ํากว่าเขาสําคัญมาเสมอเขาสําคัญมายิ่งกว่าเขาตัวยิ่งกว่าเขาสําคัญว่าต่ํากว่าเขาสําคัญมาเสมอเขาสำคัญมายิ่งกว่าเขาหน้าก็เก้าเลยน่ะเอาอันนี้เนี่มันเป็นเทียบเป็นเขาอย่พออันนี้พังลงไปแล้วมันอะไรมาเทียบมาเทียงอะไรมาพัดมาเหวี่ยงทันไม่มีเที่ยวเขาต้องหมดไปแล้วเที่ยวเขาก็เที่ยวเขาของวิชาปฏิยาทข้งว่าร่างว่าต่อยเที่ยวไม่นท หลักไปแล้วมันจออะไรมาแข่งอยากสู้กับอะไรอีกอยากสู้ผ็ไม่อยากสู้กล้าก็ไม่กล้ากลัวก็ไม่กลัวความกล้าความกลัวมันเป็นที่เด่ทั้งมวลนี่แหะที่ว่ามรณะมรณะเก่าพระจ่อวิชาก็ก็ถือนี่แล้วถืออะไรมันไม่มีที่ถือ จะไปบอกเขาไปถืออะไรอีกลมในนี้หมดนะรูปราคะรูปราคะมาเน่ายรูปราคะก่อนยินดีนะแต่สำหรับผมการปฏิบัติของผมผมว่ายินดีในภาพภายในยจิตเพราะเราปรากฏทางนั้นเป็นภาพภายในยจิตข้างนอกมันสลับหมดแล้วมันเป็นภาพหนึ่งภายในยมันก็มายินดีในการพิจารณานี่ความยินดีในการพิจารณานั้นน่ะท่านเรียวกว่ารูปราคะไม่ได้เป็นราคะ ปัญหาแบบดุรุโลกทั้งหลายก็เป็นนะแต่มันไม่มีศัพท์อะไรที่จะมาใช้ให้เหมาะสมกับนี่ท่านก็ว่าราคะก็คือความเพลินความพอใจในการพิจารณาอยู่กับอันนั้นพอใจกับอันนั้นมันไปนปรากฏเป็นภาพภายในภาพภายนอกมันออกหมดแล้วมันปล่อยเที้งมันก็เป็นภาพภายในอยู่มันกําหนดนี่พร้อมออกนี้หมดแล้วมันก็ว่างอรูปราคะ มันไม่มีรูมันก็ยินดีในความว่างของตัวเองเสียนี่นี่พูดทางหลักปฏิบัติที่ประจักษ์กับเจ้าของเราพูดได้อย่างนี้หรือจะว่ายินดีในสุขเวทนาก็ยกให้แต่มันไม่เด่นเหมือนเหมือนมันอ่าเป็นความว่างนี้มันว่างว่างหมดเนี่ยมองดูภูเขาทั้งโลกนี้ ตามันเห็นพอเป็นเงาเงาแต่จิตมันทะลุไปหมดมองดูหินต้องก้อนนี่ก้อนใหญ่ใ่เท่ากุฏิ่นนี้หมมองดูมันพอเป็นเงาเงาแต่จินมันว่างหมดแล้วเนี่ยมองดูร่างกายเจของนี่ก็เหมือนกับอะไรเป็นเงาเงาอย่างว่าอีกเหมือนกันอันหนึ่งมันทะลุไปหมดมันว่างเอาแตขนาดมันแต่มันหารูู้ไม่ว่าตัวผู้ที่เป็นไปว่าเขาว่างมันไม่ได้ว่างนี่มันไม่ว่างทั้งหมดก็เหมือนกับคน ที่บนหัวตอ น, นี่มองไปที่ไหนมันก็ว่า ง, งหมดแต่หัวตอนที่มันเหยียบอย่างนี้มันไม่ดูมันว่างที่ไหนมันหัวตอนนั่นแ่ะเนี่ยมันไม่ดูตรงนั้นแค่นั้นการพิจารณาทางภาคปฏิบัตินะผมเองมันเป็นอย่างนั้นกย็ยกให้ท่านแต่มันถนดัดลังเนื้อชอบล่างยาผม ม, มาถนัดเอาความว่างมันตอยู่ในความว่างอารูปราฆะยินดีอยู่ในความว่างเพลยอยู่ในนั้น ฝึกซ้อมกันอย่างนั้นเอากันอย่างนั้นมานะากระถื อ, อนี้ทศจกักรความเพลินในการคนา้นคว้าการพินี้พิจารณาอวิชชาก็ถือตัวนี้เ น, นี่ยพอนี้เหมดเนี่ยมันถืออะไรก็มันถืออยู่ตรงนั้นมันติดอยู่ตรงนั้นก็ถือตรงนั้นยินดีกันนั้นติดอยู่ตรงนั้นถือตนั้นพอานั้นหมดไปแล้วไม่เห็นไปยินดีกับอะไรไม่เห็นไปถือ อ, อะไรไปติด อ, อ, อะไรอ ทีนี้เวลาอ่านพอันนี้ออกแล้วมันก็ว่างทีนี้มันว่างรอบตัวทีนี้มันไม่ว่างอยู่กับตรงนั้นตรงวิชามันเหมือนกับว่าเราขึ้นเหยียบอยู่บนหัวต่ออวิชาเป็นมหัวต่อเหยียบที่ไหนมองให้ไปเห็นว่างหมดแต่หัวต่อที่เรากําลังเหยียบตรงนั้นมันไม่ได้มองลงไปมันไม่ว่างตรงนั้นพอมันย้อนเข้ามาดูหัวต่อที่เราเหยียบนี่หัวต่อก็พังเลยกันเจแล้วทีมันก็ว่างไปหมงนั่นว่างเป็นขั้น นี่คือเราก็เคยเทศในในติดพิมพ์ออกเป็นหนังสือแล้วเนี่ยออกเป็นกันเทศแล้วอยู่ในแว่นหงใจนี่มีกันว่างมันดึงว่างรอบตัวจริงพอเลยพอจากนั้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะพูดนะพูดถึงโอกสมาือ ในขณะที่จิตเป็นสมาที่มันก็ว่างถ้าถอนจะสมาธิแล้วมันไม่ว่างเพราะฉะนั้นมันก็เป็นว่างว่างเป็นฐานของจิตดังที่พูดแล้วเนี่ยบนขึ้นไปอยู่บนหั้ตอมันก็ว่างเป็นว่างขั้นการตามฐานของจิตอันนี้ถึงจิตจะเข้าสมาธิก็ว่างออกมาแล้วความว่างมันก็มีประจําจิตเรียกว่าเป็นฐานของจิตว่างประจําฐานของจิตขึ้ทําละได้เนี่ยเราก็พูดไปแล้ว ออกไปนั่นมันก็ว่างในความเป็นจริงของจิตคือในว่างทั้งจิตด้วยไม่ว่าแตอันนั้นว่างอันนี้ว่างแต่ของไม่ว่างเจ้าของเองก็ว่างมันก็ว่างไปหมดว่างนันนั้นว่างนี้ว่างแต่เจ้าของไม่ว่างเจ้าของมันก็ยังไม่ว่างพอมาวางเจ้าของเมื่อไหร่มันก็ว่างเหมือนนั้นเยี่กว่าว่างตลอดทั่วถึงเดียวตัวเราเขียนว่านั้นเราเพียนว่าว่างนี้ว่างขั้นสุดท้ายของตามกําลังของเราเราว่าไปเที่ยวนั้นเขอย ใครจะมีกําลังหนึ่งก็เอาไปสิถ้าไปได้เราหนี้เราพูดเป็นการเรนเราพูดอย่างนี้ถึงนั้นแล้วมันกรูุ้กเองด้กันทุกคนแต่ไม่ใชเป็นจะต้องไปพูดพอพูดไว้สําหรับผู้ปฏิบตัติพิจารณาไ ป, ปที่นั้นมันจะเลยไปไหนอีกอ่ะลองดูสิว่าเนี่ยเป็นขั้นเป็นขั้นภายนจิเพราะนั้นถ้ากรรมาฐานมผู้ปฏิบัตินี้มีจิตภูมิจิตภูมิใจสูงต่ำขนาดไหนพอมาพูดให้กันฟังต่อกันฟังเท่านั้นนะ มันอา่านหัวใจกันหนึ่งพิจารณาอะไรทุกวัน น, น, น, นี่นักถามพิจารณาอย่างนั้นนั้นบอกเลยนะหนักอ่านหัวใจแล้วปเปิดหัวใจให้อา่านแล้วพิจารณาอย่างนั้นนั้นทราบแล้วทราบทันทีว่าอยู่ในขั้นในดถึงใดแต่สมมติแ้มันชิ้นมันถุดไปแล้วก็ต้องพูดเรื่องราวของมันปั๊บออกมาทนั้นไม่ต้องมารู้ทันที ที่ติโกไม่มีปัญหาโอ้ที่เจ้าสุดประธานนะไม่มีปัญหาจริงมันมีปัญหาก็มีเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นพาให้เป็นปัญหาออตัวนี้ตัวมืดเนี่ยมันจะปิดตรงไหนแล้วมืดตื้อไปเลยตัวของมันมันไม่ได้มืดมันฉลาดแต่เวลามันปิดตาสัตโลกมันทําให้มืดมิจปิดตาลืมบุญลืมคุณลืมนรกสวรรค์ไปมืดมันไม่เห็น ดีกับเป็นทั่วพริกทั้งสัรเป็นคมไปหมดฟันเจ้าของนั่นแหละเมืนนั่นใครจะไปอ่านมันง่ายๆ่ียยิ่เลยรู้ขนาดไหนก็รู้เถอะทำไมรู้ตามแบบกระบอบของพระเจ้าที่สอนวันนี้ไม่มีทางว่างั้นเลยเรากล้าพูดได้เต็มปากวิชาใดก็ตามใครเรียนมาจากไหนก็ตามถ้ามาใช่วิชาธรรมกุฎิเจ้ายังไงยิ่งเลยหนังไม่ถลอกนอกจากจะเป็นเครื่องเสริมยี่งเลยก็ดี พาวิชาทำเข้าไปจับแล้วที่เด็ดตัวไหนแล้วก็ขยักขยักขยักหมอบหมอบหมอ บ, มอบแล้วดีไม่ดีเรียบนะั่นอ่านหัวใจในที้มันสาคัญมากนะดูนอกมันดูง่ายดูนุน่นดูนุน่นนไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศดูอไแต่มันดูหัวใจมันดูของดูยากมันยากอะไรเพราะกี่เด็ดพาให้ยากแน่ถ้เรียนเรื่องนี้เกเด็ดมันจะพูดง่ามจะพูดได้ยากอะไรเพราะกี่เด็ดพาให้ยาก พอกิเลสหมดแล้วมันดูยากเือยากให้ดูใจนี่ไม่ดูมันก็รู้อยู่แล้วแน่สิ่งที่มันไม่หไมให้รู้ก็คือกิเลสนั้นพามาให้รู้ปิดบังไว้ไม่อยากให้ทําไม่อยากให้ดูนี่พอกิเลสหมดไปแล้วดูไม่ดูมันก็รู้อยู่แล้วเพราะมันเปิดตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรมาปิดมันนี่นีที่ท่านแบบท่านเป็นมหาฤตินะครับปัญญาในเวลาท่านมีอธิกรณ พระหรหันด์มีคนฟ้องเหมือนกันครัง้งพุทธการมีเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงยกขึ้นเอานี้ไปขึ้นรับแต่ก่อมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นสักขีพยานพระองค์รับสั่งไงนะเป็นความจริงเนี่ยใครไม่เชื่ออุทธเจ้ามัก็หมดนอกจากเทวทัตเท่านั้นเป็นกลาย เ, เทวทัตแต่กี่คนก็ไม่เชื่อกี่คนก็เท่านั้นแหละก็เป็นเท่านั้นฟังพระหรหันถึงขั้นที่สุดก็ยังมี เป็น p a r a s i ก, ก็ยังมีเยอยู่ไปฟ้องเธอเธอเป็นสติอวินในแล้วน่ะั่นหว่านนี่นะท่านเอามาช้าตอนนั้นสติยวิไงยไปรอบตัวแล้วพูดยังไงนั้นพูดถ้าเราจะพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คืวก็อันหนึ่งจิตตวิมุตอันคํามาฟ้องร้องนี่มันเป็นสม ม, มุติทั้งมวลมันเข้ากันได้ยังไงกับวิมุตนั้นน่ะเนี่ยอ น, นี่พูดตามความจากความจริงอันนั้นวิมุตหลุดพ้นแล้วจากสมมุติทั้งมวล เหตุได้สมมุตินี่จะเอื้อง้าไปถึงฟ้องท่านมาเป็นสังขาปล่อยทิ้งอะไรได้อีกเนี่ยเพราะไม่ใช่วิสัยนี่หยดดวงนั้นไม่ใช่วิสัยของสมมุติการฟ้องร้องนี่จะเอื้อง้าไปถึงเนะเท่า น, นั้นก็หมดปัญหาแต่มีพระหรหันเท่านั้นท่านจะเป็นสักขีพยานกันได้เพราะท่านเป็นธรรมด้วยกันท่านเห็นด้วยกันท่านรู้ด้วยกันท่านแน่ด้วยกันในสิ่งเหล่านี้เั่านั้นก็เป็นไม่ได้ ทงพุทธการก็ีพระพุทธเจ้าพเจ้ากับพระรองค์เอกว่าไนมีทามาฟ้องพเจ้ากับรักสั่งเสีย อ, อย่างนีงว่าพวัสดิวัสดิคนถอยคนถอ ย, ถอยจะไปว่าเธอคือใครก็ไปตำหนิปิตเตียนท่านตนั้นเธอเคยสั่งสมยุยยานี้มาทั้งนานแสนนานแล้วจะไปแย่ได้ไงเป็นปนิสัย หรือว่าเธอทำใหม่อดีตนิสัยข้องข้า้องเราก็เป็นสมบัติน้องข้ของเราอดีตนิสัยอันนี้ไมเป็นโทษเป็นกรรมอะไรคำพองว่านั้นก็หยุดแล้วจะว่าไงหลังองค์กิยามารยาทสวยงามนึกว่าว่าเป็นพระราหัสนะ เพราะคนก็คาดเราพระละหันต้องมีกิริยามารยาทที่สวยงามนิ่มนวลมากนี่เป็นความคิดเลยแต่ไม่ได้คำหนึง่งพนิสัยนิสัยเป็นของนั่งเดิมความเป็นละหันเป็นความสิ้นจากกิเลสกิเลสไม่ได้อยู่ในกิริยานี้เพราะงั้นถึงนนี้มันต้องไม่ดับดับได้เฉพาะพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวท่อมั้องพนิสัยก็วาสนาลนอลไรนั่นนั้นดับไม่ได้ พระสันตากายข้าสงหลายขึ้นไปทุนพระพุทธเจ้าด้วยความชมเชยว่แหมเป็นเหมือนท่านเป็นพระรหันต์เนี่ยทุนถามพระเจ้าตรงๆกับมี่ว่าเป็นพระรานได้อยังวะพระสันตากายให้ชื่อว่าสันตากายสันตากายแปลว่าผู้มีกายสงบกันเองเรียบร้อยสวยงามไ ม, ม่ ย, ยากดในพระสงฆ์ก็บอกว่า โอนี่เธอเคยเป็นราชสีม า, า, าตั้งห้าร้อยชาตเนี่ยเธอได้เคยเป็นมาเหรัญประโยชน์ราชสีขึ้นมาพระราชสีนั้นเป็นสัตว์ที่มีสติดีมากเหมือนกับเสือนั่น น, ยนายผมนอนนในราชสีจะต้องกําหนดอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนไว้เรียบร้อยตื่นขึ้นมาแล้วเมื่อเห็นอวัยวะส่วนใดเคลื่อนไหวจากที่วางไว้เดิมแล้วราชสีจะไม่ลุก ขึ้นหากินจะนอนใหม่ตั้งใหม่เนกรทั่งตื่นขึ้นมาอาวัยวะส่วนใดที่วางไว้เช่นหูขาหรือหางอะไรอย่างนี้อยู่ปกติแล้วถึงจะลุกขึ้นหากินแผดเสียงเอี่ยวกายบิดกายแล้วออกหากินนี่เธอได้เคยฝึกมรารยาแบบนี้มาเป็นเวลานานแล้วจากก็เนินราชาศรีวางตอนนั้นทางกรยกธรรมะเป็นพุทธพน์ขึ้น สันตกาโย ο, สันตวายโจสันตมนโนสุสมาหิโต ο, อันตวันอันตวันตโลโ ล, โลกาโิโซภิกขุอุปสันโตที่ ว, วุตติผู้มีกายสงบด้วยความประพฤตินผู้มีวาจามสงบด้วยความฟุง้งผู้มีกใจสงบจากที่เด่ดทั้งหลาย ผู้มีโลกามิตรอันละได้โดยประการทั้งปวงแล้วด้วยจิตที่บริสุทธิน์นั้นนั่นแหละนะปาทั้งหลายเรียกว่าอวสันโตเรียกว่าู้สงบรอบตัวพระสันติกากเลยได้บรรลุธรรมในขณะนั้นถ้าผมจำไม่ผิดผมก็จะ่า พระนั้นก็ได้สําเร็จใ น, น, า น, น, นการสําเร็จของพระอาหารหันตาก่อนเราก็ไม่ได้พิจารณาอะไรมากนะประการหนึ่งเวลาเรียนมันวุ่นกับการเรียนเวลามาปฏิบัติก็วุ่นกับการต่อสู้วิเลกไม่ค่อยได้คิดอ่าอะไรมากนะไม่ค่อยมีโอกาสเพราะหลังจากนั้นมาเนี่ที่าด้มาพิจารณาสําเร็จนี้เราเทียบกันได้ตอนที่เราฟังเทศ พอแม่ครูอาจารย์มั่นฟังคราวนี้ขิดมันเป็นอย่างนี้ฟังคราวนั้นเป็นอย่างนั้นค่อมันค่อยเปลี่ยนทังมันไปเรื่อยเรื่อยืยมันก็ทําให้เชื่อแน่ว่าองค์ที่ท่านมีอุปนิสัยที่ควรจะรู้เร็วอยู่แล้วพอฟังคราวนี้ปั๊บท่านเลื่อนระดับเข้าใจนี้ปั๊บฟังนั้นเข้าใจนั้นปั๊บแล้วในขณะเดียวกันก็เข้าใจนี้ปั๊บเข้าใจนี้ปั๊บเรื่อยเรืตามทันอาผู้ที่ไม่ทันในคราวนี้ฟังคราวต่อไปเลื่อนเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยเรื่อย สุดท้ายก็ไปได้ถ้ามากก็มากคนมากก็มากสําเร็จนักปณิธานมากก็มากก็เพราะว่ามันมากก็มากคือฟังอยู่เรื่อยๆกันแล้วก็เลื่อนนไปเรื่อยๆไปเรื่อยผ่า น, นเชื่อนี่มาเชื่อเชื่อเอาอย่างไม่งสงสัยเลยใครจะว่าบ้าก็บ้าเธอบ้าแบบนี้วงังนั้นเลยนะไม่ยอมถอนบ้าแบบนี้ไม่ยอมแก้วงังนั่นเลยอืมมันมีสักขิพยานอยู่แล้วในขณะที่ฟังเพื่อกันมั่น จิตมันเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนตัวของมันเรื่อยเรากําลังพิจารณาในจุดนี้เวลานี้เอาฟังเทิดวันนี้ท่านจะว่าไงมาพอยิงมาเทิดมาจนจะถึงจุดนั้นเพราะเทิดแบบเหินฟ้านแบบระเบิยนเหินฟ้าเทิดตั้งแต่สมาธิขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเลยพอดีเรากําลังพิจารณาจุดนั้นเรากําลังติดตื่นนี้กําลังต่อสู้กันอยู่อยู่นี้ท่านจะว่าไงพอมาถึงนี้ท่านก็พุ่งเลยเนี่ยเพราะท่านเข้าใจหมดแล้วเราก็ได้อุบายท่นป้าพุ่งตามอ่านไปในจุดนี้ก่อน ฟังต่อลาลาต่อไปการเราพิจารณาจุดนั้นพอไปถึงจุดนั้นมันก็เป็นอย่เป็นอย่างนี้เราถึงเชื่ออ๋อที่การผ่นานพ้นไปในทา้งกุรการเพอเหตุนี้เองว่ายิ่งผู้ที่เป็นบัวอยู่บนน้ำอยู่แล้วผิวน้าอยู่แล้วมันก็ยิ่งเร็วประเภทอุกติกันอยู่ที่ไปจิตถึงอยู่มันก็เร็วเล ย, ยตั้งแต่พวกเนยละนี่ยังบึกบืนแต่ละครั้งนะผมมันก็โผล่ขึ้นมาได้ นอกจากประทับปารามะหนูงวกตาบอดแปดทิศแปดด้านไม่นสนใจเรื่องอัดเร่องทำเรื่องเหตุเรื่องผลนรกสวรรค์นิพพานในทั้งสิ้นนอกจากสนใจกับความทะเยอทะยานไปตามพิเดตะหาเอาให้มันลากไปจนถลอกปอกเกิดไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้บุญรู้บาสเท่านั้นพวกนี้พวกประทับประมะตกนรกไม่มีวันไมไ่ขึ้นมาได้เลย ในชีิตนี้มันกระโตกอยู่ในภายใจมันตาลมกระหน่ำมันจะไปไหนวิสัของมันบอกอยู่ในหัวใจนั้นมันจะไปไหนมันก็บอกแล้วอืมตายกระสุนตายปืนนั้นมันชี้ไปตรงไหนพอปั้งนั้นมันก็ต้องไปตรงนั้นมันจะไปตรงไหนนี่มันบอกอยู่ในตัวของมันมันเลยดึงตัวมันเสร็จแล้วว่ามันจะไปคลิกใต้ทิ่เหนือสูงต่ําขนาดไหนมันบอกอยู่ในกิจมด พอขาดร่างนี้ป้าปะปุ๊บเลยนั่นเหมือนกับเมี่ยวไก่ก็ปั้งเมียวก็พุ่งเลยไม่เห็นเกาเกิดการตายเป็นสิ่งจำเจของสัตว์โลกเพราะอันยน้อนท่านการแก้ยิงต้อง้ายความพยายามเต็มที่เต็มทาน เอาเป็นเอาตายเขาฝากมอบไว้เลยเพราะยังไงก็ถึงเวาลาเราจะตายแล้วไม่ได้ทำความเพียรทุกมันก็จะเอาบีบขั้นเราจะกันตั้งถึงเราตายเหมือนกันนี่ทุกเพราะความเพียรไม่ถึงขั้นตายมิว่านอกจากที่เลกจะตายก่อนเราโดยทําเรายัางไม่ตายกิเลสตายซะก่อนพราลงค์ได้เอาขนานั้นขนาดนั้นแล้วเราจะยังไม่ตายกิเลสมันตายก่อนเพรวเจ้ากเพียงขั้นสลอกกิเลสตายไง ทศสาวกทั้งหลายจะเห็นไหมล่ะประกอบความภาคเพียรที่ท่านยกมาเด่นๆตาแตกไม่ตายขี้เดกตายเนี่ยเดินหนึ่งกงรมป่าเท้าแตกไม่ตายท่านขี้เดกตายป่าเท้าแตกนี้ก็ต้องเป็นแบบที่ผมว่านี่นี่มันยังไปนุ่นนะทําไมอยู่ธรรมดาเดินหนึงกมป่าเท้าแตก <c oughs> ต้องมีเครื่องพาท่านหมุนน่ะเราก็เอาคำรูป กินมูลากกิไม่แห้งเราเนี่ยมันมันก็น่าจะเทียบได้ึทเทียบแบบของเราซึ่งแต่เราอยู่พื้นแผ่นดินเรายัางมองขึ้นไปพระที่สูงสูงได้วะอืออันนี้ทําไมเราต่ำต่ำเราจะพูดถึงเรื่องธรรมุเจ้าสูงสูงไม่ได้พูดของธรมรมของท่านผู้มีความเพียรกล้าไม่ได้ ท, ท่านกล้าเพอาะเหตนอะไรเราก็ยังมีเงื่อนอันหนึ่งเวลาถึงขั้นมันเพลินในความเพียรมันลืมจริงๆลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ลืมหิวลืมกระหายอะไรทั้งนั้นแม้ที่สุดน้ํามันก็ไม่ได้กินก็ไม่เคยสนใจนี่คือจิตมันหมุนติ้วติ้วอยู่ภายในเดินจิดูทเดินอย่างกรมตั้งหันตั้งหันเสร็จแล้วจนกระทั้งถึงเวลาปัดกวาดนานหรือไม่นา น, ม, น, านมันรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อไหร่กับเวลาเวลานะนอกจากมันหมุนอยู่กับความเพียรภายในจิตติ้วตวนั่นแค่นี้เมื่อมันนานเข้าไปนานเข้าไปฝ่าเท้ามันจะไม่แตกได้ไงเราไม่ถึงฝ่าเท้าแตกแต่ว่าออกร้อนโอ้โหเหมือน ไปร้นแล้วพอมาถึงที่มันต้องรู้นะตอนนั้นไม่รู้แดดก็ไม่รู้ร้อนมันไม่สนใจครับแดดกับฝนอะไรแต่ไมไ่เคยเดินตากฝนเดินยองกรมแต่ตากแดดนี่เคยแล้วเราอเอาผ้าอ้อมน้านม า, าพับขึ้นแล้วก็มัดบนผูกนี่ผมมาผูกเสียคางนี่เหลือตา เ, เดินยองกรมกลางแจ้งทีเดียว บนสวนไร้ล่างสวนบ้างเขาหนุกดึกเอาจมูกไม่มีลมเลยลมรม่ ม, มช่างหัวมันทั้งฟาดถึงนั่นเลยแน่มันทําได้นะมันไม่สนใจกับร้อนกับหนาวอะไรเพราะอันนี้มันลมแรงไทยน้ำใสบุญเวลาออกจากที่มาถึงเวลาปัดกวาดออกจากที่มามาเห็นการน้ำนู้นแแม่มันอยากน้ํำแต่จะเป็นจะตายยิงนะ ตอนนั้นมันไม่ได้กินไม่ได้ออกโดดใส่การน้ำลื้นน้ําชั้นนี่เอะสํารักกกอกกอกกอกกอกกอกจะตายผมไม่ลืมนะว่ามันกินลุ่จริงจๆรๆิงนี่มันจะตายนั่นนะในขณะนั้นกินไม่ออกสักอย่างเดียวมันหมดแต่ความหิวความวายที่นี้เรื่องการดำเนิกกนกลวัฟล่าท้าแต่ผมไม่สงสัยข้อเหตุนี้พาให้แต่ผมหวังกันท่านกับเรื่องของท่านอย่า น, นั้นถึงขั้นเืน ส่วนที่จะบังคับออกนั้นก็มีส่วนแต่น้อยมากส่วนเป็นไปตามอัตโนมัติหลักธรรมชาติของแห่งคามเปลี่ยนทท่านในท่านสติปัญญาอตโนมัตินี้ผมยอมรับทันทีรอยเปอร์็นเป็นไปได้ขาเท้ า, าตแตกไม่สงสัยเพราะมันบอกอยู่ในตัวแล้วมันลืมไปมด้แต่เรื่องความหิวความขายอะไรมาผูุ้่นียามาดุ่มเลยยามานุนใจยามาเข้าใจมันจะมาคิดเลยนะ หนังมากู้นี้เหมือนกันผ ม, มทีตั้งหกเดือนเจเดือนก็ไม่แตะทีเป็นเกือบปีปก็มีเวลาประกอบกงเบียนนี่นะในภาษาบางภาษาไม่เคยแตะสักคำเดียวก็มีอฉันไปนั่ น, นอันนี้ก็ทําไปนั้นจะหยุดเมื่ อ, อไรมีปัญหาอะไรนี่เราก็เห็นว่าทางเดินของศรัทธาญาติโยมที่ไปบุญเป็นของเขาถึงมาในนั่งตามกำลัง สััทางองเราเราก็ทำไปนั่นเพราะว่าไม่เห็นมีอะไรเสียหายการหน้าที่ฉันหนานเสียอะไรเราก็คิดแล้ว ม, มันพิจารณาอยู่แไม่เห็นมีอะไรเสียหายทางมารยาทความประพฤตินหน้าที่การงานอะไรไม่เห็นเสียจะพาให้ลมจมอะไรก็ไม่มี น, นี่คิดไปหมดไม่ใช่เราไม่คิดตาง น, นั้นเวลาไปังกิตกินไดสั่งคันทีเลย เราดูสีลูกหาในด้านเมืองนี่เขาจะส่งมาปูดีให้เป็นกล่องเป็นกล่องกระดาษเขาว่าไม่เสียเงินเลยก็ส่งให้ถึงที่เลยเจ้านาทีของเขาทอนนี้นมืีโหยาส่ง<ม>เพราเอามาโ เ, เป็นลังเป็นขัง<ม>เอามาเอามาเอามาเด้นี้มราจะเปิดให้ถัาน น, นนี้เเอาไปถวายพระอในวัดไหนวันไหนก็แล้วแต่นะแต่ถ่านให้ทุกกล่องทุกกล่องเนี่ยมีเป็นคําสุดท้ายห้มามให้เอาส่งไปเป็นอ่าขา มีเป็นคําสุดท้ายอยู่เพียงเท่นี้หยุดไม่ได้สอนคนให้เป็นประโยชน์อะไรนะแล้วอย่าส่งประเด็นขานะส่งไปก็ไม่แตะถ้าลงว่าไม่แตะไม่ขานี่นานวะ่ะเขาใครจะกล้ า, าส่งเมื่อพูดอย่างเด็ดการแล้วเราพิมพ์เงินเดือนส่งไปก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่แตะเลยจริงๆถ้าลงว่าหยุดหยุ ด, ดจริงๆพอมาลงดันเมืองโอ้โหพวกนี้มันพวกเข้านอกออกในเต็มอยู่ส น, นามมันแล้วก็วมีแต่ เมยเจ้ามียนายใหญ่หญๆโตๆมันเข้านอกออกในโดมดพอรถพอราบินลงมาจอดลานบินเท่านั้นนหละอาจารย์อยู่ไหนอาจารย์อยู่ไหนยุ่งเสียงจอใช่ะช่คนนั่งไปยกอาจารย์หากไยกยอันารเหมือนเราหิวเราห่วย เ, เราจะตายมาจากที่ไหนบงคนนั่งยืนนนย่นมคนนี้ไปยื่นหนอนึ่จะให้รับของใครก่อนในหลังเต็มข้างระบินเขาคิดว่าเราจะหิวจะหยมีอะไรเรามีอะไรเ <c> ท <ười> ่านั้น ทำไปไหนถูกสมุดนิยมอั น, นไหนมม่ขัดข้องนั่นเป็นค่าสิทต่อทําต่อวินยัยแล้วพี่นายแล้วให้คารวะเขามาสอนเราทําไมอือแต่ว่าเป็นที่ถีมานะกเราก็ไม่เห็นหมีพระห้ามพระสูบบุหรีอร่อะไรฉันมากฝังอะไรเลยพูดอะไร ต, ตําหน่งติดเกี่ยนทางแต่ตัวทุกอย่านตําหน่งมันละอะไรได้บ้างอ่ะเนี่ยมันไม่อายจะของม้างเหรอ มาฮักเก่าที่มันไม่ขันอจงที่มันกันคันทําไมไม่เก่ามัง่งทำมันหายขันถ้าไปสนใจของเก่าจะของมั่งมันจะดีพูดขายจะของเอาเปล่าถ้าไม่มีผลมีเหลือถ้าเป็นผู้มุง่งกับความเป็นภระของพุตธิจ้าจริงต้องมีผลมีหลักเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างไล่ใช่ทําแบบสุ่มๆเดาๆไปมรือ งั้นังคนอย่งผมนี่ารที่จะมาห้ามปรามก็ดีมาขับใสไปบบนี้ก็ดีถ้าไม่ใช่เหตุผลไม่ยหญ่อย่ามาบอกอย่ามาห้ามอืมอย่ามาถุดมาลากไว้ถ้าเหตุผลท่านผมท่านเดียวไม่ข้ามหยุดทันทีแล้วไปทันทีและทําทันทีถ้าเป็นเหตุผลธรรมดานอี่ในเรื่องเรา พราะเราปฏิบัติต่อตัวเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นเหตุผลคือความถูกต้องดีงามรวมกันตรงนี้นเป็นธรรมเราเคยปฏิบัติของเราได้ผลมามากน้อยเราเห็นคุณค่าของเหตุผลนี้อยู่แล้วอของไม่มีเหตุผลเอามาใช้ทําไมไม่เอาอืมเอาละท่านวันยาอืมหลับเนี่ย